เพิ่งพากันตั้งใจตั้งใจให้ดีใจดวงเดียวเท่านี้แหละที่มันยุ่งยากอยู่นี่นะในไายสิ่งอื่นใดมันยากเพราะอะไรมันยากเพราะ กำจัดกิเลสออกจากมันไม่หมดมันจึงยากอยู่นี่แหละที่มันกําจัดไม่หมดก็เพราะว่าความเพียรไม่เพียงพอมากกือบเป็นความเกียดคร้านมากกว่าความเพียร ท่านผู้ที่ขยันหมั่นเพียรไม่ท้อไม่ถอยท่านก็หลุดพ้นไปได้ง่ายได้ไวผู้ใดเกียดคร้านอาืดอัดการทำความเพียรมันก็นานพ้นทุกเนื่องจากว่ากิเลสนี่ มันฟังรกฟังรากมาในจิตใจนี่นานแล้วทั้งจะเกิดเป็นจิตวิญญาณมามันก็มีกิเลสติดตามมาทั้งนั้นแหละกิเลสเป็นผู้สร้างชาติสร้างรบในดวงจิตดวงนี้อาศัย การที่บุคคลจะมาเบื่อหน่ายต่อความเป็นอยู่ในโลกนี้มันแสนยากแสนลำบากเพราะมันเคยอยู่มาแลนมนานเคยอาศัยร่างกายอันนี้มานานทีเดียวนับชาติไม่ทวนเลยนี่นะการที่จะมา ทำความเบื่อหน่ายกันเอาไว้ไๆอย่างนี้มันไม่ได้นั่นนต้องต้องอาศัยการฝึกใจให้สงบอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญาเท่านั้นสอนใจใจถึงจะเชื่อปัญญาอบรมจิตให้ดีแล้วยอมวิมุตใน หลักทางกล่าวไว้การที่จิตจะหลุดพ้นนี่ถ้าขาดปัญญาแล้วหลุดไม่ได้ให้พากันเข้าใจเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยเพิ่งจะมาทำใจให้มันสงบก่อนให้นิวรณ์ห้าเนี่ยมันระ ง, งับไป เมื่อในวันห้ามันดับไปจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานไม่เอียงไปข้างรักข้างชังไม่เอียงไปข้างเกียดคล้านง่งวงเหงาห้านอนไม่เอียงไปข้างพุ้งซ่านรำคาญเคสไม่มีสถานีไม่เอียงไปข้า ง, งาาสา ง, ง, งสัยลังเล ในบาปบุญคุณโทษเพราะมันรู้แจ้งแล้วในเรื่องบาปเรื่องบุญคุณโทษอยู่แล้วเหตุนั้นจึงไม่มีข้อสงสัยใดๆถ้าหากว่าผู้ใดยังไม่รู้แจ้งเรื่องบาปบุญคุณโทษนี่มันก็ต้องสงสัยอยู่ร่ำไปนั่นแหละดังนั้นต้อพิจารณาให้มันเห็น ว่าบุญมีจริงหรือไม่บาปมีจริงหรือไม่อย่างนี้นะให้มันเห็นชัดตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยืนยันว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพระนิพพานมีจริงอย่างนี้นี่เราต้องพิจารณาให้มันรู้ให้มันเข้าใจว่า สถานที่ดังกล่าวมานี้มีจริงพระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้แล้วเราไม่เชื่อพระปัญญา ต, ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ไม่เศร้าไปเชื่อปัญญาของใครอ่นใครในโลกนี้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอระหันต์และจิตสิ้นกิเลสโดยประการทั้งปวงไม่มีเลย มีแต่ในพุทธศาสตร์สนานี่แหละบุคคลสามารถทำอาสวะกิเลสให้หมดให้สิ้นไปได้ mm hmm. ก็ให้เพิ่งเข้าใจอย่างนี้ mm hmm. เมื่อเป็นเช่นนี้เลาจะงสงสัยลังเลทำไมก็ราคะโทสะโมหะนะ่นมมันแสดงฤทธ์แสดงเดชปรากฏอยู่ในใจเนี่ย ถ้าใครยังไม่รู้กิเลสเหล่านี้แล้วก็หนาเต็มเตียก็ทนทุกข์ไปไม่ได้เลยความโลภโกรธหลงก็เหมือนกันมันมีอยู่ในใจนีนมานมนานแล้วตั้งแต่เกิดมานู่นทำไมถึงจะไม่รู้น่นแหล บ, บุคคลมารู้จากกิเลสเหล่านี้ว่ามันมีฤทธิ์มีเดชอย่างไร มันก่อทุกข์ให้แก่ผู้สะสมอย่างไรบ้างนี่มารู้ชัดขึ้นมาว่าการที่จิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นี่ก็เพราะกิเลสเหล่านี้เลยทีแรกก็กจิตสร้างกิเลสนี่ขึ้นมาขั้นต่อมากิเลสมันก็ททำผิดทำให้จิตเดือดร้อนอย่าไปเข้าใจว่ากิเลสมันมาจากที่อื่น จิตนี่เป็นผู้สร้างขึ้นเช่นราคะกวงกำหนัดอย่างนี้นะก็ลองเพ่งดูสิว่าใครลราเป็นผู้กำหนัดก็จิตตรงนี้สิกำหนัดนะร่างกายมันไม่ได้กำหนัดอะไรถ้าจิตไม่กำหนัดแล้วมันไม่มีความหมายอะไรเลยนั่นต้องคิดดูให้ดีโทสะก็ดี ความคิดพยาบาทจองเวนผู้อื่ น, นอ่ะใครคิดล่ะนี่ยก็จิตตรงนี้แหละมันคิดโมหะหลงไม่รู้จริงใครเป็นผู้หลงบ่เนี่ยก็จิตตรงนี้หลงร่างกายทุกส่วนมันไม่หลงมันไม่รู้อะไรอย่าง้นทงพิจานานดูให้ดีอย่างว่าอะไรอะไรมันก็มารวมลงที่จิต คือธรรมชาติรู้ธรรมชาติคิดอย่างเดียวเท่านี้แหละอย่าไปสงสัยบั น, นี้เมื่อจิตนี่ไม่ฉลาดแล้วอะไรกระทบเข้ามาก็ยึดเอาไว้ยึดเอาไว้มันก็เป็นทุกข์แลสิบาเนี่ยะมันก็ก่อให้เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมา กิเลสตัณหาก็เผาจิตให้เราร้อนก็เพราะความยึดถือเอาเรื่องกิเลสนั่นแหละไว้นะ่ะมันจึงได้เผาดูดีๆนี่จะให้กิเลสมาเผาจิตให้เราร้อนนี่ไม่มีไม่เข้าใจตัวเองเป็นผู้สร้างขึ้นคล้ายๆกับว่าตัวเองก่อไฟเผาตัวเองนั่นแหละมันก็ เจ็บก็ปวดก็ร้อนรุมอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละจิตเองนะสร้างกิเลสเผาจิตเองพูดง่ายๆอย่างนี้แหละเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็มาฝึกตัวเองเข้าไปตัวเองนั่นแหละห้ามตัวเองไม่ให้มันปรุงแต่งไม่ให้มันสร้างกิเลสเหล่านั้นขึ้นมา นี่เมื่อตัวเองสามารถห้ามตัวเองได้มันก็ได้เท่านั้นเองกิเลสมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าจิตไม่คิดไม่สร้างมันขึ้นไม่พอใจมันมันก็เกิดไม่ได้แต่เชื้อของมันมีอยู่เมื่อเชื้อมันมีอยู่แล้วจิตไม่ส่งเสริมมัน มันก็ไม่งอกงามไม่แตกกินก้านสาขาออกไปในที่สุดรากเหง้าของกิเลสตอะนนะันมันก็เน่าไปเองเมื่อมันไม่ได้ปุ๋ยไม่ได้น้ำมารดมันคือว่าจิตไม่ส่งเสริมมันอย่างนี้มันก็ทนอยู่ไม่ได้แล้วเหมือนต้นไม้นั่นเนี่ยถ้าเจ้าของไม่ดูแล ไม่ใส่ปุ๋ยไม่ลดน้ำมันก็เฉาตายไปท่านเองเนหะต้นไม้ที่ปลูกใหม่อ่ะอันนี้ทั้นใดก็อย่างนั้นแหละพ <c oughs> ี่เล็ถ้าจิตไม่ส่งเสริมมันไม่ปรุงไม่แต่งมันมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ระ ง, งับตับไปนี่ไม่ใช่ว่า จะว่าเป็นของยากจนเหลือวิสัยอันการละกิเลนนี่ก็ไม่ใช่จะว่าเป็นสิ่งที่ง่ายได้ก็ไม่เชิงแล้วว่าอยู่ในวิสัยที่บุคคลจัดทำได้ละได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพระศาสดาก็ไม่ทรงสั่งสอนแต่ถ้าจะมาทำแบบง่าย แบบสบายสบายแล้วให้กิเลสมันแห้งไปก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเหตุนั้ น, น่ะก็สังเกตดูสิกรรมวิธีที่พระสัตดาทรงบำเพ็ญมาเป็นตัวอย่างทรงเอาสนญ ก, กิเลสได้ในคืนวันเดือนหกเพนพระองค์นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับเปลือกส้าวางลงที่ตักต่อจากนั้นสัตว์งอธิษฐานว่าถ้าไม่ได้สำเร็จพระสัมมาสัมพธิยานในค่ำคืนวันนี้แล้วเราจะไม่ลุกออกจากที่นี้เลยเนื้อหนังมังสาจะเหี่ยวแห้งไปยังเหลือแต่หนังกับกระดูกก็ตามที ถ้าจิตจำนงหมายสิ่งใดที่เราตั้งไว้ไม่สำเร็จเราจะไม่ออกลุกจากที่นี่ไปเด็ดขาดเลยเมื่อทรงอธิษฐานอย่างนั้นแล้วก็ตั้งความเพียรลงไปเพียรมาเขาเพียรเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้ว่าจิตตั้งเป็นปกติโย หายใจออกก็รู้ว่าจิตเป็นปกติโย อ, อย่างนี้นะถ้าจิตไม่ปกติมันก็รู้ไม่ปกติเพราะอะไรมันยึดถือเรื่องใดไว้เมื่อรู้แล้วกาหนดละเรื่องนั้นไปเมื่อจิตเบื่อมันแล้วเห็นโทษของอารมณ์นั้นแล้วนั่นกำหนดละมันมันก็ดับไปเท่านั้นเองนะ จิตไม่ยินดีไม่สะสมไว้มันสำคัญอยู่ที่จิตนี่ไปชอบไปพอใจไปชอบกับกิเลสนี่สิสำคัญอยู่ตรงนี้แหละไม่ยอมละทํามันลระงับไปแล้วพลนึกถึงมันขึ้นมาพุงแจ้มมันขึ้นมาอา้าเมันปุงแจ้มมันขึ้นมาแล้วมันเดือดร้อนผนลระงับมันไป ธรรมนังครับตับไปแล้วผดเผยเผยตัวผดพุ่งแต่มันขึ้นมาอยู่นี้แล้วจิตใจของคนธรรมดาสามัญเนี่ยมันจึงหลุดพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้เพราะวราไปสะสมเห็นแห่งทุกข์ไว้ในใจเช่นนี้แล้วใจจะไม่ปินทุกข์จะอยู่ได้อย่างไรเหมือนบุคคลเอางูพิษมาเรียงไว้ในเรือน จะให้มันอยู่ดีกินดีสักเท่าไหรก่ก็ตามงูพิษนั่นนะมันก็ไม่เชื่องกับเจ้าของพอเจ้าของเผลอไปถูกมันเข้ามันกัดเอาเลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละกีเลทนี่มันไม่ได้เชื่องกับใครละก็แต่ใครสร้างมันขึ้นมาแล้วมันเล่นงานทั้งนั้นแหละ แต่ถ้าไม่ต้องการให้มันเล่นงานแลยจะไปสร้างมันขึ้นมามก็ถัานนั่นแหละเหมือนอย่างหมูคนลเลี้ยงงูไว้ในเรือนถ้าหากว่าระมัดระวังไม่ไปแตะต้องมันมันก็ไม่กัด อ, อันนี้ฉันได้ก็อย่างนั้นแหละอารมณ์ทั้งหลาย ที่มากระทบตาเป็นตน้นอันเป็นบ่อกเกิดแห่งราคะโทสะโมหะเมื่อมีรูปเป็นต้นมากระทบในตามีปัญญามีสติรู้เท่าทันไม่ถือมัน่นว่าเป็นตัวเป็นตนไม่ถือมัน่นว่าสิ่งนั้นรูปนั้นน่ารักน่าชังอะไรไม่เลยก็ให้เห็นสักแต่ว่ารูปนี้ผ่านไปผ่านไป รูปทั้งหมดนั้นเนี่ยมันเป็นของแตกของดับจะเป็นรูปที่สวยงามหรือไม่สวยงามก็ตามละเอียดปราณีตอย่างไรก็ตามมันก็อยู่ในลักษณะเดียวกันทั้งหมดเลยคือนิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยลักษณะของรูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสปอรตต่าง มันมีอยู่สามลักษณะอย่างนี้คือเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรปรวนใน่ามกลางแตกลับในที่สุดไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดก็เป็นอย่างนี้นะความจริงก็เป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นมีแต่ว่าเราอบรมจิตให้มีปัญญา ไปรู้แจ้งในความจริงเหล่านั้นตามเป็นจริงแล้วจิตไม่ถือมั่นแล้วมันก็หมดทุกข์กันเท่า น, นั้นเองอืมันจะไม่มีทุกข์อยู่ในจิตใจอ่ะถ้าละความยึดมั่นเสียได้โดยประการทั้งปวงถ้าละได้เป็นบางอย่างอย่างนี้ทุกข์มันก็เบาลงเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเนะี่ยอย่าพากันนิ่งนอนใจในไหนเราก็จะต้องได้ทำความเพียรละมันอยู่ดีๆเนี่ยกิเลสนี้เนี่ยจะไปเกิด ใ, ในภพใดชาติใดถ้าไม่พากเพียรละกิเลสนี้ก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ดีไม่ดีกิเลสมันก็จูงให้ไปทำชั่วโดวยกายด้วยวาจามีค่าสัตว์เป็นต้น ทำมากๆเข้าไปตายแล้วบาปกรรมนั่งก็นนำไปสู่นรกทนทุกข์ทรมานอยู่นานแสนนานกว่าจะพ้นมาได้นี่การสะสมกิเลสไว้นะคนสุดท้ายมันก็บรรดาให้ไปทำบาปนั่นแหละพูดไปง่ายๆอย่างนั้นบางคนก็ถึงกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้นูน่น ไม่ว่าจะฆ่าคนนรรมดาหรือสับดีริฉานนะไ้มแต่พ่อแม่ของตัวเองยังฆ่าดได้นั่นเนเรื่องของกิเลสแล้วมันแสนที่จะร้กาดดังนั้นเราต้องเห็นโทษของมันต้องพยายามเบื่อมันเสมอถึงแม้เรายังจะถอนรากถอนโคนของมันออกไม่หมด แต่ก็พยายามตัดก้าน ร, รานกิ่งมันให้มันหมดไปหมดไปเช่นนี้นี่มันก็เบาบางไปแล้วกิเลสนั้นนะ่ะเราพยายามผ่าเปลี่ยนละมันไปทีละน้อยละน้อยไปเพราะละมางมากทีเดียวล ะ, ละไม่ได้กําลังไม่พอมันต้องมีกําลังนะมันจึงค่อยละดได้กิเลสนะ่ะอย่างที่เคยพูดอยู่บ่อยๆอยู่นั้นนหละ กำลังศีลกำลังสมาธิกำลังปัญญานี่มันต้องมีกำลังหมู่นี้มันยังค่อยละได้กิเลสนั้นคุณธรรมทั้งสามอย่างนี้อุคคลต้องสร้างให้เกิดให้มีขึ้นในใจของตนมันจึงสามารถถอนรากถอนโคนของกิเลสออกจา ก, กจิตใจได้ ถ้าไม่อาศัยคุณธรรมเหล่านี้แล้วใช่คนทั้งหลายมันก็ต้องละกิเลสกันได้หมดสินั่นน่ะต้องให้พิจารณาดูที่เหตุที่มันยังละกิเลสเหล่านี้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีความเพียรที่จะทําศีลสมาธิปัญญานี่ให้เกิดให้มีขึ้นในใจของตนได้ เงั้นผู้ใดทั้งมีปัญญาด้วยทั้งมีความอดทนด้วยอย่างเงี้เมื่อปัญญาสอดส่องมองเห็นกิเลสผลเห็นโทษของกิเลสแล้วอย่างนี้มันก็มาอดกั้นทนทานไม่สร้างมันขึ้นมาอีกที่มันมีอยู่แล้วก็พยายามละมันออกไป นี่ความอดกับปัญญาเนี่ยนะพ้าเป็นคู่กันเลยนะถ้ามีแต่ปัญญาความอดทนไม่มีมันก็ไม่มีทางเราจะละมันได้กิเลสเนี่ยเมื่อมันกระทบกระทั่งมันโวนปั่นขึ้นมาแล้วจิตก็วันไหวไปตามเนี่ยเรื่องมันนะมันดึงละมันไม่ได้ถ้าวันไว้แล้วแสดงว่ามันมีอำนาจเหนือแล้ว ดังนั้นเราจึงต้องอาศัยขันติความอดทนอดกั้นไม่ไม่สร้างกิเลสใหม่ขึ้นมากิเลสเก่าอันใด ท, ที่มันเป็นสัญญาอาดิตเคยยึดเคยถือร่วงมาแล้วก็กาหนดละมันสอนใจละมันเรื่อยๆไปเออเช่นนี้แหละกิเลสมันถึงจะเบาวางอกจากกิจใจไปเพราะว่าเชื้อของมันที่จะให้ เราสร้างกิเลส ข, ขึ้นมาใหม่นั้นอ่ะเราทำลายมันเรื่อยไปอ่ะไม่ให้มันงอกงามเจริญขึ้นมาได้เช่นกามมวิตกอย่างนี้นะมันจะคิดนึกไปทางกรารมาคุณอย่างนี้เราห้ามจิตทันทีเม่ใหมันคิดไปนี่เมื่อห้ามจิตได้มันก็ไม่ไปแล้วมันก็อยู่กามมวิตกมันก็ไม่เกิดขึ้น พยาบาทวิโสภ์ก็เหมือนกันเมื่อมันคิดโกรธใครมาแล้วมันคิดอยากจะแก้แค้นมันอย่างนี้นะเราไม่ให้มันคิดอ่ะห้ามจิตเลยไม่ต้องไปแก้แค้นใครขืนไปแก้แค้นกันอยู่เวรไม่รู้จักจบนออคนมีเวรอยู่จะไปสวรรค์ไปนิพพานได้ยังไงล่ะไปไม่ได้อืม สอนตนเข้าไปอย่างนี้มันก็ไม่ไปผูกพันไม่อาฆาตจองเวรกับใครมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละให้มากันให้พากันมาเห็นความสําคัญของจิตดวงนี้ให้มากถ้าไม่มีจิตดวงนี้แล้วไม่มีความหมายอะไรโลกอันนี้นะเราจะสร้างบุญบารมีไปทำไมอะ่ะสร้าง เพื่อใครบ้านี้นั่นมารมีนาะดูโดยเหตุผลแล้วก็เราสร้างบุญบา ร, รมีไปก็เพื่อจิตตรงนี้เพื่อให้เป็นกําลังจิตตรงนี้แล้วจะได้ละกิเลสให้มันขาดจากสันดานนั่นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นนะละให้มันขาดไปเสียจริงจังลงไปแล้วทุกข์ทางใจมันก็ดับไป นั่นแหละให้พากันเข้าใจถ้าหากว่าบุคคลเข้าใจเนี่ยทางแนทางปฏิบัติโดยถูกต้องแล้วมันไม่ยากเท่าไหร่นะมันยากแต่คำหาทางที่ถูกต้องเท่านั้นแหละเมื่อคำมาทางถูกต้องแลอย่างนี้เรามาควบคุมจิตตรงนี้นะทางถูกต้องนะไม่ใช่อื่ในไกลอะ่ะ ให้เป็นกลางให้เป็นวัตถิ ม, มาปฏิปทาให้เป็นข้อปฏิบัติสายกลางนี่นะนั่นเน่ยแม้ว่ามันจะหลงเอียงไปเป็นบางข้ามข่าวก็๋ยวไปถือสามันรู้ตัวแล้วกำหนดตั้งจิตใหม่ให้จิตมันแน่วแน่อยู่ในภายในให้จิตมันหนักแน่นเข้มแข็งด้วยกำลังบุญวัฒนบารมี ที่เราสร้างมาอันนี้ก็เคยพูดอยู่บ่อยๆอ ย, อยู่เราจะไปลืมทํานองคองธรรมคาสอนของ菩萨ต า, ศ า, ศ า, ศ า, ศาอันพระองค์ะจนมันในคืนวันเดือนหกเป็นพระจันเต็มดวงนั่นะพระองค์ก็ทรงระลึกถึงพระบารมีธรรมของพระองค์ที่ได้สั่งสมมาเตอเนกชาตินั่นะ ถ้ามีจริงขอให้บรรดาลปรากฏขึ้นแล้วกำจัดกิเลสมารทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดไปสิ้นไปเมือ่อกิเลสทมานมันเกิดขึ้นมาพราะองค์ก็รู้เท่าอธิษฐานถึงบุญญาบา ร, รมี เมื่อบุญญาบา ร, รมีของพระองค์มาปรากฏแล้วกิเลสนั้นก็หายหน้าไปอยู่ต่อหน้าพระองค์ไม่ได้เลยอย่างนี้เพราะว่าพระองค์มีใจตั้งมั่นแล้วกิเลสเข้าไม่ถึงเอตแล้วมันจึงถอยออกไปนี่แหละการจะเอาชนะกิเลสได้นะให้เข้าใจไม่ใช่ว่าทำความดีเพียงเล็กน้อยแล้ว จะเอาชนะกิเลสได้อย่างนี้ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสมดุลกันมันจึงเป็นไปได้เหมือนเราปรุงอาหารอย่างนี้แหละถ้าไม่ครบเครื่องแล้วอาหารนั้นก็ไม่อร่อยเปยน็นยางงงั้นการปฏิบัติธรรมการฝึกวนจิตใจ ให้ละกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ก็เช่นนั้นแหละเมื่อเราเตรียมกำลังไม่พักพร้อมอย่างนี้มันก็ไม่ได้ลากิเลสอันนั้นไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้น <S <S เราะฉะน้นในปากันเข้าใจในพากันรู้จักว่าบารมีทั้งหลายนะั้นมันเกิดจากตัวของเราทำเอาเอง ให้ผู้อื่นหยิบยื่นมาให้ไม่ได้หยิบไม่ได้แบ่งกันไม่ได้จริงๆของโมเนียทำของจริงอ่ะมีอันเดียวไปแบ่งได้ยังไงอ่ะนั่นแหละผู้ใดเข้าถึงแล้วก็ เ, เป็นอันหนึ่งอันเดียวเท่านั้นนี่ไม่มีสองมีสามไม่ไม่จะไม่แบ่งกับใครเลยอันนี้แต่ถ้าพระอารหรันต์ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านก็ยังถ่ายทอดความรู้นั้นให้แก่คนทั้งหลายได้อยู่แต่ว่าความรู้ที่ท่านถ่ายทอดให้นั้นท่านแนะแนวปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าเทศไห้ฟังแล้วกิเลสมันแห้งไปเลยไม่ใช่ท่านสอนให้รู้จัก อุปายอบรมจิตฝึกผลจิตให้ละกิเลสตัณหาต่างๆดังที่แสดงมาโดยลำดับนี่เลยเพราะฉะนั้นเมื่อพากันรู้แล้วเข้าใจแล้วในแนวทางปฏิบัตินีนะ่ขอให้พากันตั้ง อ, อกตั้งใจทำความเพียรไปมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตอันเป็นปัจจุบันนี่นะอยู่เสมอเสมอ อย่าเผลอเลินเล่อแล้วมันก็จะก้าวหน้าไปสู่คุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปโดยนําดับนังแสดงมา